ส่วนภาษารียบอธิบายไว้จุลนิเทศนนะอธิบายไว้พูดถึงอันตรายทั้งหลายยาวเลยว่าอันตรายภายในอันตรายภายนอกเป็นต้นเนี่ยนะที่ไหนคาถาบอกว่าพระประเจ ก, กับผู้ทธเจ้าเหล่านั้นมีปกติอยู่ตามสบายในทิศทั้งสี่ไม่มีความขัดเคืองยินสันโดดด้วยปัจจัยตามมีตามได้ครอบงำอันตรายไม่มีความหวาดเสียวเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดนอแรบเนี่ยนะ ท่านบอกว่าพระประเจกสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นประกอบด้วยเมตตาแผ่ในทิศที่หนึ่งที่สองที่สที่สเหมือนกันโดยทิศเบื้องบนเบนืบ้องล่างเบื้องขวา ง, างมีใจประกอบด้วยเมตตาเป็นใจที่กว้างขวางเป็นมหคัตมีสัทธาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานอันนี้ก็ว่าอยู่ด้วยเมตตาของพระประเจกพุทธเจ้าเป็นอัปปมัญญา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 สรุปในทุกทิศเนี่ยนะเพราะอนุภาพของเมตตาทําให้ไม่เกลียดชังสัตว์ด้วยอนุภาพของกรุณามุทิตาอุเบขาจึงไม่เกลียดชังสัตว์ในทั่วทุกทิศไม่มีสัตว์เป็นที่รังเกียจแปลกนะว่าไอ้ใครที่บอกว่าออ้ยเจริญวิปัสนาที่จะออกจากวตานี่อุอ้ยเป็นลักษณะเกลียดไปหมดเลยไม่ใช่นะเมตากับสัตว์ทุกหมู่ทุกเหลา่าวตานี่แปลกนะ ชอบมากก็ออกจากวัตฏะไม่ได้เกลียดด้วยโทสะ ก, ก็ออกจากวัตฏะไม่ได้ต้องปฏิบัติเยีบคลายต้องไม่มีอภิชาและโทมนัตเจริญปัญญาไปแล้วจึงจะออกจากวัตตะได้ไม่งั้นคนที่โกรธก็บรรลุหมดนะเกลียดไปหมดเกี่ยนะเอื้อมไปหมดแล้วจะบรรุไม่นะจะต้องไม่ครอบ ไ, อไม่ถูกครอบงําด้วยอภิชาและโทมนัตแล้วก็สันโดษปัจใจตามมีตามได้เป็นต้นเนีนะ ก็คือปฏิบัติอยู่ในอริยวงนะอริยวงยินดีในปัจจัยตามมีตามได้หรือว่าพระประเจกับพรสัมพุทธเจ้านั้นเป็นผู้สันโดษ ด, ด้วยจีวรตามมีตามได้กล่าวสรนเสริญความสันโดษ ด, ด้วยจีวรตามมีตามได้ไม่ถึงความสแสวงหาผิด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 มีพรหมิหารสก่อนใช่ไตอนแรกมีพรหมิหารสี่ต่อไปสันโดษในปัจจัย่ตามอริยวงเสร็จแล้วก็ครอบงามอันตรายคําว่าอันตรายนี่มีอยู่สองประการด้วยกันคืออันตรายปรากฏกับอันตรายปกปิดแปลว่าเปิดเผยกับปกปิดอันตรายเปิดเผยเป็นอย่างไรอันตรายปรากฏหรืออันตรายเปิดเผยคือราชสีเสือโครงเสือเหลืองมีเสือดาวม้าป่า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 ปวดอุจจาระปัสสาวะสัมผัสที่เกิดจากเหลืออยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายนี้เรียกว่าอันตรายปรากฏและเปิดเผยเนี่ยรู้กันว่าการติดโรคเหล่านี้อันตรายเหล่านี้ก็เห็นเห็นกันอยู่รู้รู้กันอยู่ส่วนอันตรายปกปิดเป็นไงปกปิดหมคนแบบไม่คิดนะว่ามันอันตรายเช่นทําความชั่วทางกายทําความชั่วทางวาจาคิดชั่วด้วยใจเนี่ยโดยเฉพาะคิดชั่วด้วยใจใครคิดว่ามันอันตรายบ้างเขาเรียกว่าปกปิดนะ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 ความโกรธความถู ก, กโกรธลบหลีตีเสมอริษยาตณีหลอกความหลอกลวงโอ้อวดกระด้างแข็งดีถือตัวดูหมิน่นมัวเมาประมาต ก, กิเลสสารพัดชนิดทุจริตทั้งปวงความกวนความกระวนกระวายความเร่าร้อนความเดือดร้อนอกูสลาภิสังขารสิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่าอันตรายปกปิดอากุสลธรรมทั้งหลายความชั่วทั้งหลายเรียกว่าอันตรายปกปิดไม่มีใครคิดว่ามันอันตรายสักเท่าไหร่เนี่ยนะ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 ถ้าถ้ามันแบบอะไรนะศัตรูในกับศัตรูศัตรูไกลกับศัตรูใกล้ศัตรูภายในกับศัตรูภายนอกไหนน่ากลัวกันอ่ะนะภายในเนี่ยมันน่ากลัวที่สุดนี่อกุศลมันเกิดอยู่ที่ไหนอ่ะมันเกิดที่สุดของที่ข้างในในที่สุดก็คือในใจนี่สิแม่มันศัตรูมันลงถึงใจด้วยเนี่ยมันหนักใจเหลือเกินนังไงนะศัตรูมันเข้าถึงใจแล้วใช่ถ้ามันอยู่ไกลๆเนี่ยก็อยยังชั่วแตมันเข้าถึงใจเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันทำไง ก็บอกว่าอย่างถ้าเป็นบ้านเมืองเนี่ยนะถ้าศัตรูยังอยู่นอกกำแพงเมืองก็ไม่น่าหนักใจแต่ถ้าศัตรูทะลุกำแพงเมืองมาแล้วก็เตรียมวอดได้แล้วว่างั้นวดวายสนจริงตามที่พระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายผู้อยู่ร่วมกับกิเลส ท, ที่เป็นอันเตวาสิกก็ได้กล่าอะไรนะอยู่ร่วมกับกิเลสที่เป็นสิทธิ์อยู่ร่วมกับกิเลททเสเล ท, ที่เป็นอาจารย์ย่อมอยู่เป็นทุกข์ไม่พราสุข กิเลสนีม่มันอยู่ในฐานะสิทธ์กับอาจารย์มันอยู่ด้วยกันเนี่ยที่ทุกขขนาดไหนดูก่อนพิสูจทั้งหลายผู้อยู่ร่วมกับกิเลสที่เป็นลูกศิษย์อยู่ร่วมย่อมอยู่เป็นทุกข์ไม่ผาสุกเป็นอย่างไรดูก่อนพิสูจทั้งหลายเพราะเห็นรูปด้วยตาอากุโลธรรมอัลลามกที่ดำริือระลึกถึงประโยชน์อันเกื้อกูลแก่สังโยชนิย่อมเกิดแก่พิสูจนในศาสนานี้อคุโสลธรรมอัลลามกเหล่านั้นย่อมอยู่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 ที่อยู่ร่วมกับกิเลสที่เป็นอาจารย์ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายผู้ที่ขณะที่อกุสลธรรมอัลลามกครอบงำเนี่ยนะขณะที่ถูกอกุสลมันครอบงำเรียกว่าอยู่ร่วมกับกิเลสที่เป็นอาจารย์ถ้าอกุสลวิตกแผ่ส้างออกไปเรียกว่าอยู่ร่วมกับสร็จถูกอุศลมันครอบงำท่วมทับเรียกว่าอยู่ร่วมกับอาจารย์ในทวารทั้ง6เนี่ยนะในทวารหเลย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 ภายในฆ่าศึกภายในสาประการเฟังแล้วน่ากลัวใช่ไหมวันกลัวจริงๆเอออะเครื่องเศร้ามองภายในภัยรีผู้สร้างความพินาศภายในศัตรูภายในผู้ฆ่าภายในฆ่าศึกภายในแล้วยิ่งไปเชื่อไวรัสทั้งหลายกันนะดูความพิสูจนทั้งหลายโลภะเป็นมนทินภายในเพศผู้ภัยรีคือเพศศัตรูผู้ฆ่าภายในฆ่าศึกภายในโทสะโมหะเป็นต้นก็เป็น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 ความเป็นผู้ขนลุกขนพองเกิดมีอัตภาพนี้ปัญหตุย่อมเกิดในอัตภาพนี้ความตรึกในใจนั้นตั้งขึ้นในอัตภาพนี้ย่อมผูกสัตว์เอาไว้เหมือนพวกเด็กๆผูกกาเอาไว้เช่นั้นเลยเรียกว่าอันตรายนี่นะอันตรายเพราะมันท่วมทับมันบีบคั้นถ้าครอบงาอันตรายก็ทําลายอันตรายเหล่านั้นทั้งภายในครอบงํำทั้งอันตรายภายนอก คำว่าผู้ไม่มีความหวาดเสียวคือไม่ขลาดไม่หวาดไม่เสียวไม่สะดุง้งไม่หนีผู้ละความกลัวละความขลาดได้แล้วปราศจากความเป็นผู้ขนลุกขนพองเรียกว่าผู้ครอบงำอันตรายไม่มีความหวาดเสียวเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดหนอรแบบนั้พระพเจ้าพพุทธเจ้านั้นมีปกติอยู่ตามสบายในทิศ ท, ทั้งสี่ด้วยพรหมวิหารทั้งสี่ไม่มีใจขัดเคืองด้วยอกุศลสันโดษในปัจจัยตามอริยะวงศ ครอบงำอันตรายภายในและภายนอกไม่มีความหวาดเสียวเที่ยวไปด้วยอรรยมรักอันประกอบไปด้วยองค์แปดผู้เดียวเหมือนหนอเร็บฉะนั้นเนี่ยนะเดี๋ยวพักสักครู่ก่อน